อ่ีรกัฏาสักกัฏาอธทินาบกาัาเนธสมกาัาเราเทศไปกระทั่งปีกระทั่งชาติก็ให้มันอยู่ในกลุ่มนี้ที่นี่ก็ศีลสมาธิปัญญาเป็นตน้นเป็นตน้นเป็นต้นต่อ เทพกันตั้งตลอดชีวิตใหญ่มันนี้ไปจากนี้แต่พูดมากกว่ามากกันมันมารู้จักกันนี้อย่าเอาที่นั่นที่นี่มาสับสนลองดูก็ได้เออเ อ, อเนั้นเลยอันนี้แล้วแลก็โกรนอะนผ้รสุท มันแยกออกไปหลายอย่างเนาะน้าเออเป็นโยมเมืองไทยเล้นนี่เป็นโยมเมืองไทยแลยนี่ใส่ผ้าถุงเลยเป็นโยมเมืองไทยอ๋อ มาคราวนี้รู้สึกว่มันด่าหนึ่งเลยด่าเรื่องคืออย่างครับมวลสนุกเบิกบ้าน mm hmm. ภาษาไทยนี่มันมากเกินไปเนาะน่าเรื่องสนุกชื่นใจเบิกบาน <c oughs> อะไรตัางต่นงด่าเรื่องไม่ทุก ภาษาเราวบมวลมวลใครต่องอุรวมนักเทศอรัญญโปคกิตเซโรอนันโทวิ ร, รัตโมสุจิตโว ท, ทุกคนไม่คิดไปในในในทางเดียวกัน <c oughs> คื อ, ค, อคือคนคนที่นี่มันมันสับสนมาดูแล้ว <c oughs> เข้าใจไหมงงน่าต้องมองทุกคนมันสัจสนอยนางแรมกมันก็เอาเราอันนี้บางอันนี้บางมันยิ่งบุญเหวอวะนี่เอ้าเป็นาบอกอันนั้นเอาไว้ก่อ น, นออยังจะไปบอกใหเขาทิ้งนะเขาทำมาเท่งเ่งอย่าไปวายอย่างนั้นเอาอันนั้นเอาไว้ก่อนอันนี้ทํานี่ดูก่อนทาอันเดียวก่อนอย่าไปพูดอย่างไรคนแก่ทําสวนนะ <c oughs> แตกบึม อันนั้นเขาดีกว่าแต่พูดดีอยู่เต่เขาพูดว่าไม่ไม่เป็นพูดไม่ฉลาดถ้าผมพูดก็ไม่เป็นไรนี่พูดคําเดียวกันเต่้ยผมพูดเขาดีใจคนแก่ผมเฮ้ยหยุดเด้อไม่นกระทบกระทบดีแกพูดดีอยู่เตีแบบ้ยาพูดไม่เป็นพูดไม่ฉลาด ไหมจะมีทุกเป็นอย่างนั้นครับเราพูดถูกหรือถูกตาไม่พูดไม่เก่งเรายอมไม่เรียกไม่อยากรับนั่นและไม่ลับไม่มีอุบายการพูดใช่ไม่มีเทคนิคโอ้ ไม่มีเทคนิคในการพูดเทคนิคในการพูดคือการก่อสร้างผมก็ทําได้แต่ผมไม่มีเทคนิคในการทำไม่สวยไม่ดีไม่ทาบนะอย่างนั้นผมก็พูดได้ใครก็พูดได้แต่พูดต้อมีเทคนิคต้องมีเทคนิคนู่จักนะพูดคำเดียวกันก็เกิดประโยชน์ทั้งที่พูดคำเดียวกันเกิดโทษเลยกนได อย่างที่เขาฝึกในหลายอย่างแล้วก็เอ้ยของฉันดีนะอย่าพึงว่าของฉันดีของเธอนันไม่ดีอย่าอย่าไปว่ากันมันสับสนอยู่แล้วมันสับสนอยู่หล้วหัวเขามันสับสนอยู่แล้วหลายอย่างอะไรเงี่ยพวกไปพูดอย่างนึงก็พูดอย่างคนอย่างนี้ไปกันไปก็เป็นบุปสรรครนั แต่ว่าอ่าข้องคุณก็อย่าเพิ่งทิ้งมันเธอเอาไว้ีก่อนบัดนี้มาทําอันนี้เราต้อคนหัวยาำสอนทางเดียวกันเช่นสอนอนาปาสตินีนะก็อสอนอนาปาสติอย่างเดียวกันพิจารณาร่างกายกำนนหนดลมหายใจทำจิตจิตใจมันอย่างเดียวกันสุเ <c oughs> <c oughs> ิโตไปเทศก็ไปนั่งทำนองเดียวกันเอกไปทํานองเดียวกันทานองเดียวกันคนนั้นมันจะมารวมที่เดียว เมื่อดูจัดที่อันเดียวเดียวไหลายที่มันรู้จักมันเองแล้วรู้จักมันเองมันจะรู้จักมันเองไปบอกได้ได้อย่างมันมันไม่รู้จักทีเดียวบอกทีเดียวชัดเจนได้หลายที่มันรู้จักเองมันอย่างคริสมันมันพูดวันนี้นะคาเดียวเท่านน่าฟัง วันหลังจะไปพบกันอยู <numa human istic usage> <INE> ่ที่ปรมัตตธรรมเห็นไหมคำเดียวเท่านี้พอละมันฉลาดพูดคนฉลาดพูดเราจะไปเรียนดูอะไรต่างๆก็ช่างันเธอถ้าไม่มีปรมัตตธรรมเมื่อไม่มีธรรมในิใจไม่ได้พบกันเช่นว่าซุเปโทสอนผมอย่างนี้ เนี่ยผมก็เอาอันนี้ไปปฏิบัติที่ที่ซูมิโทสอนผมอย่างนี้ผมรู้แต่รู้ยังไม่ถึงที่มันจะต้อง เ, าเอาไปปฏิบัติแต่ก่อนเมื่อปฏิบัติผลเกิดจากกันปฏิบัติอย่างมันเป็นอย่างนั้นเราจึงจะเห็นซูมิโทอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเป็นซูมิโท ดูเก็บกิบช่วยโยโยไปเก็นตรงนั้นเพราะท่าสอนอย่างเพราะมันเป็นอย่างนั้นผมแสดงถึงเรื่องพระพุทธเจ้าประวัติผมเรียกพระพุทธเจ้าตรงนั้นตรงที่ท่านสอนนี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเกิดขึ้นมาจะเป็นพระพุทธเจ้าตรงนั้นก็คงงงเขาเลยบอกว่าพระพุทธเจ้าทขาสอนอย่างนั้นจริงเดีสอนอย่างนั้นหรือปล่สอนตอนนี้จริงแล้วที่มันเป็นประดามัติธรับ คือมันไม่เห็นที่ผมฝากเขานั่นลูกแอปเปิลลูกนีน้เรามองด้วยสายตาเราเราเห็นลูกแอปเปิลหืล่าเนื้อแอปเปิลเปลือกแอปเปิลเท่านั้นวิสัยเราจะต้องเห็นวิสัยเราที่จะฟังดูขนาดนี้แต่รสแอปเปิลนั้นเรามองดูไม่รู้จั ก, จกแต่มันมีอยู่ในนั้นมันจะรู้จักเมื่อไรมันจะรู้จักเมื่อเราเอาแอปเปิลมาทานก็ไปจะรู้จักว่ารสแอปเปิลมีอยู่ ธรรมะที่เราสอนไปก็เหมือนลูกแอปเปิลแต่เขายังไม่รู้จักแอปเปิลอย่างแท้จริงเมื่อเขาเอาไปปฏิบัติมันรู้จักรถของแอปเปิลเกิดขึ้นมาโอ้จริงลูกแอปเปิลไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาอย่างนี้ฟังธรรมมันสามารถที่จะมองได้ยินด้วยหูแล้วเห็นด้วยตาไม่ได้รู้อยู่แต่มั น, นยังไม่ถึงมันแล้วเอาไปปฏิบัติ ปัญญามันเกิดเห็นเช่นนั้นขึ้นมาที่นี่ก็เพ<ม>ิ่งจะรูจระ้จักว่าเออปรมัตตธรรมจึงจะเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นอันนี้มันเป็นธรร ม, ร ม, มรลึกซึ้งพอมีเกลี่ยลูกแอปเปิลนีเขาฟังมันฟากฟ<ม>ากไอ่ปรคประคิดตรงนี้ก็ ก, กพอ ด, ดีเหมือนกันวันนั้นไปพระขับไปวัดกับพระไปที่ให้หมด คาตาบ้านหมดเนี่ยสิบมุดโปรแอปเปิเนียกินแต่สดวกฟังให้หน่อยเดี๋ยวจะไปคุยกันนะต่อไปจะไปคุยกันนะอออันนี้ก็ไปอีกอย่างหนึ่งเว้ยพอเคยจ้ะ อื ม, อมดีเข้มเข็มเข้มก็ดีหวานก็ดีเรียบก็ดีดีหมดมีอะไรก็พูดกันสักทีทุกคนเดี๋ยวจะไม่มีเวลาพูดกันนะสุมมโทรก็จะหมดสิ่งที่จะพูดแล้วมั้ง นนคนแถวนี้ก็ดีอยู่ก็ไม่มีม ไ, มมไม่มีใจโหดรายเลย<ม>น้ำหมางต<ม>าคฟิลกับไม่รังคิดเท่าไหร่ตากฟิล์มเลยก็<ม><ม>จะไม่ปัญหาคนเกิดถือพระเจ้าเนี่ยปเจ้าเป็นยังไงมีพานเป็นยังไง มันบางคนกันคือพระพุทธศาสนาเป็นทางหาายูนเปล่าไม่มีมทำลายโลกไม่ให้มีโลกเลย<ม>อย่างนั้นมันเข้าใจยังไม่ถึงครับมันเข้าใจไม่ถึง กลัวของมันจะหมดกลัวโลกจะหมดกลัวอะไรจะหมดสูนปล่าหวงเขาเสียดายร้องไห้นี่เห็นไหมนี่มันไม่สูญนี่บ้านหลังนี้จะของอยู่แกเก็บของอยู่มันหนูเห็นไหมมันไม่สูญเห็นไหมมันเรือศูญหรือเปล่าแล้วเอาเก็บกันไปเผาป่วยนูกองนี้กองนั่ หายวันหนึ่ก็กีคบัวชุบวัดมันจะหายทำไมมันจะศูนย์เปล่ามันทุกไหมนี่มันคนทุกใช่ไหยคือคนคนไม่รู้เรื่องว่ามันว่างมันศูนย์ไม่รู้จักไม่รู้จักมันก็ไม่สบายใจคือมันไม่มองดูตัวสักแต่วันมันเกิดมาไม่มีใครสอนมองดูตัวจะมอง มไม่รู้เรื่องนี่ไม่มันโดงอย่าแต่เหมือนก็เป็นอย่างนั้นมมันอันนี้เราถือว่ามันเป็นเราเป็ น, นปของเรามอนะอันนี้มาใช้ของเราเฮเถียงจนตายนะออย่างนั้นนี่นะพระพุทธเจามันทึงยากบางทีมันเบือ่อครั้งแรกโอ้ บางทีนอนกลาคืนมานเาา น, าานื่องจากเอาแต่บ้าแต่พายหนีมันากทุกจิตทุกหารีวุ่นนึกเรื่องธรรมะเราไม่ได้วายถ้าเราไม่สอนคนอย่างนี้เราจะไปสอนใครครับไม่มีอะไร ถ้าเป็นเงินผมจะต้องถามว่าถ้าใจเราเป็นเงินนะใจผมเป็นเงินผมมันอยากจะหนีไปคนเดียวมวาไม่อยากเบื่อเราจะไปสอนใครถ้าไปสอนคนหลงไม่มีทางไปเหมือนกันตัวเราคิดอย่างนี้จะดูสิไปคนเดียวอันนี้มันก็หลงแล้วนี้่นึกว่าเราดีเดี๋ เ ป, เป็นเป็นประเทศขุนพอดีครว่ะเป็นประเทศขุนพอดีว่ะดีพระบัจจิกาพุทธันไม่ทุกนะะเราทุกอยู่เลยจดจิหนีไปอเอาใดจะเอาเอาไงก็เอาตามันตามทําเป็นธรรมดาหรือทาเป็นสิ่งแวดล้อมทําให้เป็นพระปเจก็ได้เลยก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่เป็นได้เลย ทุกว ja, ันนี้ก็พวกเราก็เป็นพระปัจเจกมันได้เพราะสิ่งแวดล้อมไม่จำเนินไปเราเป็นพระบางทีมันมันอยู่สถานนี้มันก็ได้บุบายก่อนก็พูดกันยังไงนะบางทีมัเป็นพระสัพพยุปทาได้แต่อาการบางทีก็เป็นพระปัจเจก พูดถงเรื่อะมันพูดถึงเรื่องจิตนะไม่ใช่ ว, ว่าเกิดมาเป็นพระประเจกจนี่นะมันเป็นโุราณติฐานอย่างนั้นคือเป็นพระประเจรเราไม่สอนเช่ก็ได้มันไม่เกิดประโยชน์ถ้ากราไม่สอนนี่นมันไม่มีอะไรแต่ว่าคนที่จะ ส, สอนน่ายมันก็เกิดเป็นปัะโยชน์พุทธะขึ้นมาอีกเนาะสอนอะไก็ได้อย่างนั้นเทียบเคีงยง อย่าไปเป็นอะไรเลยเป็นพระพุทธเจ้าก็นำบากเป็นพระปัจเจกอย่าไปเป็นถ่าขึ้นมาเป็นนมันลำบากเลยนอย่าไปเอาเป็นเลยถ้าฉันเป็นพระสูเมธโทแต่ฉันเป็นพระอนันโททุกเดนอนัอ น, นโทก็ไม่มีสุเมธโทก็ไม่มีอ้าวสุมธโทไมมีนี่ สมุดเฉยๆเจ๊งนะถ้าเป็นจะเป็นทุกข์เลยเขาว่าให้ก่อนถ้ามีสมิโตรสมโตก็โกรธอันันโท่ก็ปวดถ้ามีาเอาเอาันั้นโท่เอาสมิโตรนะเป็นทุกข์ถ้าอันันโท่ไม่มีก็สมโทไม่มีแล้วก็ไม่มีใครไม่มีใครรับโทรศัพท์ เออกรนีเฉยนี่มันไม่เป็นอะไรก็ไม่ไม่ทุกข์นี่มันเป็นย่างไงแต่เราเป็นอยู่โดยธรรมะก็วิ่งไปวิ่งไปวิ่งเป็นคนทําบนเราเป็นเป็นทุกข์ทำไมจะไปเป็นทุกข์ทั้งนั้น แล้วจะต้องทำปัญญาให้เกิดทำที่เฉยทำอย่าให้มีซุเมนโทอย่าให้มีอนันโทเลยรับโทรศัพท์ถ้าเราเป็นซูเมนโทอนันโทไปรับโทรศัพท์เป็นซุเมนโททุกอย่าเป็นสุเมนโทอย่าเป็นอนันโทเปลยนเป็นเตียนสมุรกันที่เฉยกนเลยยังไปกว่าดีก็ เขาว่าดีเป่นมันเขาว่าชั่วก็จะเปล่นมันแต่ เ, เรารู้รู้นะเอาไม่รู้ก็ไม่เอาอีกหมดนยะงั้นัคนมันทำไม่ได้มันไม่รู้จักจะทำฟังนะมันถึงอะไรต่ออะไรนะมันมมั น, ม น, มนผมเคยเล่าให้ฟังแต่ก่อนนี่มีข้างหน้ามีข้างบนนะ มันตกลงมา ข, ข้างบนมันมันอยู่ข้างล่างมันดูสึเราอยู่ข้างล่างก็เห็นข้างบนเมื่อมันขึ้นจากข้างล่างไปถึงข้างบนก็เ <nước> ห็นข้างบนระยะนี้มันไม่เห็นนีกลางกลางเรียกว่าพระนิพพานนี่มันไม่เห็นนีมันเห็นแต่ตัววัตถุมันเห็นแต่ตัวยึดยึดข้างบนยึดข้างล่างพบชาติพบกับพบพบเมื่อเกิดแต่พบไอ้ที่ไม่มีพบหมันว่า มันไม่เห็นเราสอนคนในีมันเห็นที่บางว่างมันว่ามันไม่มีอะไรท่าอกมันไม่รู้จักนี่มันยากอย่างนั้นนั่นต้องอาศัยผ่ารปฏิบัติอย่างเะียวก็เพราะว่ามันมันอาศัยพบอยู่อาศัยตัวอาศัยตัวเมื่อแต่วันเกิดมาแล้วไปพูดว่าให้มันไม่มีตัวมีตัวมันก็แปลกมันเปลี่ยนเปลี่ยนสัญญยาไม่ไะจะต้องทำกิจเนี่ยมันเห็นต้องปฏิบัติมันต้องเชื่อโออันนี้ถูก นนั้แต่เขาอันนี้คล้องฉันคลองฉันนี่ก็ดีใจครับแต่ว่าเมื่อของฉันมันหายไปก็ร้องไห้เกินมาน่ะปีมาน่ะอันนี้เป็นทางที่ทุกเกิดอยู่แล้วแเราก็มองเห็นถ้าหากว่าเราไม่ไม่ใช่คล้องฉันกล้องันก็ไม่มีคล้องฉันก็ไม่มีอย่างนี้เราก็ใช้ไปเมื่อเรามีชีวิตอยู่นะไม่อุปทานมันมันหายก็หายไปเราหายก็หายไม่มีเขามีเราอย่นี่แต่ว่าไม่ใช่คนเป็นบ้านะคนขยันคนตรงนี้ รู้จักประโยชน์หลายอย่างแต่ว่าคนพิจ น, นาทาเป็นคนยังนั้นนะบาคนคนเป็นอกประสาติขอมองเห็นช <c oughs> ุมิโตะมองเินคณะวาดว่าเขาโง่เป็นเด็กน้อยคณะวาดเมองเห็นชุมิโทะเสียคนแน่อะไรก็มีเอามีเอาก็กเขาเราดีกว่าเนี่ยนะ คุณ่างา่ายพระอรหันต์เจ้ากับคนบ้านี่ค้ายกันนะพิจารณาดูดิคนไปเห็นพระอรหันต์เจ้าเขจากแบาบ้าดา่าก็เชยอเชยมันบ้าใช่ไหม น, ะนะนะนะนี่แต่ว่าบ้าน่ยรู้อยู่นะไอ้บ้าจริงๆเนี่ยมันดา่ามันก็มีรด น, นมันไม่รู้ ถ้ดูอาการก็พระอรหรันต์กับกับคนบ้าเหมือนกันต่าที่สุดก็เป็นบ้าสูงที่สุดก็เป็นพระอรหรันต์เนี่ยต่ำที่สุดก็สุงที่สุดนี่เหมือนกันเราไปดูจํานักสนินะแต่ความรู้สึกไกลกันมากฉะนั้นคนไปพบพระอรหันต์กับกับคนบ้านม่แปลกกันะ ดูไปที่ดูไปกระดาษยังทำเป็นอย่างนั้นเขาโกดให้น่าจะโกรธแล้วก็เห็นแล้วปี่ยป่อวางแล้วก็บ้าใชหมเพราะนั่ น, <c oughs> นสิ่งทั้งหลายนี่มันสอนคนอื่นไม่รู้จักหรอกมันต้องเป็นปฏิจจตังสิงทีรู้จักคนมนเห็น เช่นมาเขารักสวยรักงามนี่ในเมืองนี่นเขาทาปากทานนี่มันรักสวยรักงามเอออันนี้ไม่สวยนไม่น่าเนี่ยแกไม่พอใจตายเหมยวอย่างนี้อ่ะแต่คนทางไกเดินได้ไหมนคือเขายังไม่รู้จัก เราเขายังไม่เชื่อเราเราจะไปโทษเขา<ม>ไปเขาเาอานี่ไปเปลี่ยนกับเขาไปแลกเปลี่ยนอย่าเขาไม่เอาของเราพอเลยของเราราคาไม่ดีเขาจีบไม่เอาถ้าของเราราคาดีที่สุดนกึกว่าเอาเนี่ยนั่นนี่นคนไม่เชื่อเราทําไมเพราะปัญญาเรายังไม่ดีต้องปรับปรุงอย่าไปโกรธที่เจ้เขาเลย มันว่าบออย่าไปว่าเขานี่มันว่าอยู่นี่เลยต้องสอนตัวคนนี้มันดีมันเห็นว่ามันดีถูกต้องดีงนขึ้นก็เอาเถอะนะคนบางทีไปสอนเขาไปสอนลูกศิษย์หนึงง่งบางทีลูกศิษย์เ <c oughs> ชื่ออาจารย์ก็เสียใจมัน ต, ต้องเสียใจหังเมื่อคนกลัวดเราอีกทำไมต้งเป็นอย่างนั้น ของเรามีราคาน้อยกว่าเขาจึงเอาถ้าเขาเห็นว่าของเรามีของเรามีราคามากเขาก็เอาเท่านั้นเนี่ถ้ามันอยากโกรนเลยทุกสิทธิ์ต้องคิดอย่างนี้นะเดียวก็ไม่โกลุศปรับผูกเกินผู้คนก็ไม่ค่อยสนุกแล้วไม่ไม่รู้จักว่าทุกคนนะี่เนาะ ในสุวนที่เราพูดก็ติดใจแต่ดุจดุกศิทพระพุทธเจ้าของเราคือธรรมะทั้งสอนแปน็นแนวเดียวกันแต่มันต่างในลักษณนะไม่สุภาพเสมอกันอย่างนั้น แต่ท่านสอนให้ให้มีความพ้ทุกขอันเดียวกันยังทำกมรม่านเดียวกันคนคนคนค น, คนชาวอยู่ดรกนี้มันมีของมากอยู่แล้วอ เ, เอาไปให้มันมากๆอย่างก็ตายแล้วนะหนักมันไม่รู้ระจะยาวอะไรก็จะพดอะไรไม จะพูดไอ้ก็พูดหรือมันไม่มีเวลาจะพูดนะตอไป น, อนะเดือนปฏิบัติของพวกเร า, เาันยังไงทำยังไงรือหมดสงสัยแล้วหมดสงสัยก็เป็นพรปริเ็กก็ได้ สวนนะพูดเนี่ยเขาเขาอยู่ประตู้ก็ดิบตบบึบไปกะคิดหรือหรชาคิดิครับเนียไม่ชอบฟังเนาะอืมใช่ใช้ร้อนครับอธิษฐานปริยายสูตรตาปิดไฟหูปิดไฟ ต่อไปวันหน้าต่อไปมันจะเป็นนักเทศนะคิตตะสรูพระเราจะ้องมันจะเป็นนักเทศต่อไปสอนคนพระอนันตเราจะเป็นนักเทศต้องเป็นนักเทศพระอนันต์งไม่ใช่เนาะคือคือเรื่องถ้าเราตั้งใจสอนคนนะนั่นก็สอนเราไปในตัวนะนะ คใครเห็นด้วยไหมที่ผมว่าถ้าเราสอนคนคเหมือนเราสอนเราไปในตัวนันารฉลาดมีขึ้นความพิจารณามีขึ้นเราเราสอนคนวันนี้ใหม่ๆมนั่งก็สงสัยนี่ทำไมมันเป็นอย่งงางนั้นเราเกิดความคิดเนี่ย เกิดความคิดขึ้นมามันก็ปนไปเด็กน้อ้ให้เราเพิจารณาหาเหตุผลสอนเขาเป็นสอนเราเป็นในตัวสอนเขาสอนเราไปด้วยถ้าเรามีมีรรมทานมีสติอยู่อย่าไปเข้าใจว่าสอนเขาอย่างเดียวให้เข้าใจว่าสอนเราด้วยว่าอย่างนั้นไม่เสีย เห็นว่าเนี่ยชาวโลกกำลังจะเข้ากันมากซึ่งชัติันมันก็น้ยลงเพราะมันก็เห็นกันพลัดพรียนกันแต่บางคนก็เจอเนี่ยนักฮอร์เรซที่ถือว่าต่อไปนอีกสองสามปีโลกนี่ก็จะ ข อ, ของธรรมชาติเราจะเปลี่ยนแปลงเป็นหลายอย่างจะมีความทุกข์มากคนพูดเราเนี่ยเป็ น, ปนมนุษย์เราจะรับความทุกข์ทางทางธรรมชาติมผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> แต่ก็เห็นว่าถ้าบางคนก็ถือใน่ถ้าเราไม่มีสติปัญญาที่จะสู้ได้ก็จะเป็นทุกข์มาก ถ้าเป็นคนที่อสสาศัยความสะดวกสบายทางกายตลอดนั mm ่นเลยในประเทศนี้คนอสสาศัยแต่เครื่องจากรอา้สสายความสะดวกสุขสบายทางกายเป็ น, นมากนะ mm hmm. ต่อไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติมันจเปลี่ยนแปลง mm hmm. แผ่นดินก็จะอะไรไหวหรือเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ ไม่ได้เป็นงานแน่นอนนะเงินไปปวดในคนทุกข์ครับถ้าเราไม่มีสติมีอะไรจะเป็นทุกข์มากนะนั่นก็พุทธเจ้าถ้าถึงสอนในปัจจุบันนี้มันจะมาอีกสองสาปีเลยเมืองไทยเข้ามาถามกุ้งมาอุ้ยน้องพอคอมมินิตเข้ามาจะทำยังไงอ้าเข้ามาที่ไหนคอมมินิตจะเข้ามาแล้วเรื่อย อ๋อคอมมิวนิสต์มันมีแต่เมือเราเกิดมาแล้วอัตมาไม่ได้คิดมากอย่างนั้นคิดว่าอุปสรรคนี้มันเกิดมาเกิดมานี่คอมมิวนิสต์มันตายแล้วยัางนั้นติ้ไม่ประมาทอันนี้นนรับอีกสี่้าปีมันจะเกิดอันนั้นอันนี้มันไกลไปนี่อีอกสองาปีเขาว่าเมืองไทยจะเป็นคอมมิวนิสต์อัตมาคิดว่ามันเป็นแต่เมื่ออัตมาเกิดมาแล้วคอมมิวนิสต์ต่อสู้คอมมิวนิสต์มาจนถึงบัดนี้ โยมยังไม่รู้จักเหรอมันจริงนะพุทธศาสตร์รอีกสองปีสองปียังไงมันเอาอยู่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เรื่องเอาพุทธศาสตร์ใสใ่ตัว ไ, ไปเตรียมตัวไว้เรื่องของโรกก็ช่างมันทีทำอิสติปัญญาเราทำเรื่องนี้ดีกว่าทำภูมงนี้มันไม่ดีกว่านั่นหรือ ง, ง้นจะรออีกสามปีสีป่ปีแผ่นดิมันจะไหวนี่มันไหวด้วยนีย่เห็นไหมทายยงวิีการยึดไหวหลาย คิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้วุ่นเนี่ยแผ่นดินนี่มันไหวเลยยังไม่รู้เรื่องจะเบ็ดแผ่นดินนี่มันไหวนานๆมันไหวทีหนึ่งแผ่นดินเนี่ยมันไหวอยู่ทุกวันทุกนาทีนี่ยังไปไปโทษแผ่นดินนั่นเดี๋ยวแผ่นดินนั่นนานๆมันไหวทีหนึ่งเรกเราเกิดมายังไม่รู้ก็มีเลยอันนี้มาเกิดคลุบกันมามันรอกไงมันไหวแล้วแผ่นดินยังไม่รู้เรื่อง พรพุที่เจ้าเห็นเข้ามาเดียวนี้อย่างนั้นไม่ถูกเลยทั้งนั้น <laughs> ม, มันเกิดเพราะเหตุมันกรับเพราะเหตุมัน น, นี่เราไม่ต้องตามไปราาักษาประเศษหรอกมันเป็นอย่างนั้เงินรู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนั้ น, น, น, น, น <laughs> ใครมาถามผมทุกคนนเจ้านาย เมืองไทยอะไรจะเป็นคอมมอนิสต์อโอ้ยเป็นทุกเมืองจะทำยังไงเป็นคอมมอนิสต์เราเกิดวันจะทำยังไงแต่มาไมได ค, คิดมากอย่างนั้นคิดว่าเกิดมาว่นนั้นคอมมอนิสต์ตามมาเลยเดง๋ยนี้แต่วันแตมาเกิดมาเลยวนี้ก็ไม่มี่อูดหยุดนี่ใครจะบอกว่าคอมมอนิสต์จะเปิด3ปี5ปี พระพุทธเจ้าบอกว่าให้เตรียมตัวเสิเดียวนี้เกิดมาแล้วพี่พีจะนัดนันเตรียมความเกิดมาเลยนี่เรื่อยใหญ่ย่ า, ยาประมาทแล้วแล้วยังไปดูโอลศาสนาสามปีสี่ปีนั่นเองโอ้ยนี่อ ด, ดมันไกลไปกว่านั้นเอาพุทธศาสตร์นีเดี๋ยวนี้เดี๋ยว น, น, น, นี้ว่าอดีตมันเป็นมาอย่างไงอนาคตมันเป็ทิ้งมันไว้ดูปัจจุบันนี้เหตุมันเกิดในปัจจุบันนี้ดูเหตุมันเท่านี้ ไม่สอนเรื่องให้คนเ ป, ป็นทุกข์ท่าเทียบอย่างผมก็บอบ่ายอยู่นกันเต่ว่าบ้างกันมันไหวสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไอความเครื่อนเวนเนี่ยมันมีมาด้วย แต่มันมีตีล ะ, ล, ะละน้อยละน้อยมันไม่ปรากฏตัวอย่างซูเมโอเกิดมาครั้งเรียกโตเท่านี้ไหมเกิดรั้งเรียกโตขนาดนี้ไหมที่มันเป็นทำไมเนี่มันเพราะความเคลื่อนไหวไอ้ความเคลื่อนไหวดีไหมดีถ้าไม่ดีซุเมโธมัน โ, โตขนาดนี้ความเคลื่อนไห ว, วมันโต เราจะไปนครอบครองเกิดไหวอะ้ร ถ, ถ้าเราครอบครองเกิดไว้คนเกิดมาไม่โตมีมันโตมาครอบครื่อกิดไหวถ้าเราพิจารณาธรรมะไม่รู้มันจะคิดอย่างไอางอีกอ่าบีเนอะนั่นจะคอยว่าอีกปีมันจะเกิดนนั้น ๆ, ๆ้ เรารอท่านจะไปทำมันนั่นนั่นไม่ได้อย่าไปรอการรอไปทำทําอย่างนี้ดีกว่าตรงนี้จิตใจประชาชนมันเคลื่อนไหวทุกวันเห็นไหมแผ่นดินนี่ดินนะไว้นมนี่แผนดินแผนดินมันเคลื่อนไหวแต่ทุกอย่างมันไปดินเคลื่อนไหวไมองมองดูแต่แผนดินนั้นนั่นข้างนอกมเคลื่อนไหวอันนี้มันเคลื่อน ทุกวันนี้ชาโลกต่อไปนี่นะคนแต่งงานกันอยู่กันปี่สองปีเขาว่าคนโง่แต่งงานกันถ้าเกิดจะเดิกกันไปชีวิตหน้าดีมันเคลื่อนไปเรื่อยๆมันเคลืออใจใจอคล่อนอยู่แต่ยิตมใจกับคนมันเคลื่อนอยู่นะไม่ต้องดูทางโหราศาสตร์เนาะดูพุทธศาสตร์นี่ก็ครบแล้วถ้าคนนี่เกิดมานี่ต้องพอยจะไปไหนจะไปไหน เราเกิดมาแล้วมันแก่มันเก็บมันตายเราจะไปที่ไหนนี่ก็อยู่อย่างนี้มันมาแล้วสู้ไปน้แก่เก็บตายคอมมนนิสมันเกิดมาจะอยู่เมืองไทยนี่นะจะอยู่ที่ไหนคอมมนนิสมันจะมีกินข้าวหรือมันกินข้าวหรืกินข้าวคือความธรรมดาอย่างนั้นได้โคดเไปจบ เดียวคนรู้ถึงเงินเดี๋ยคนนี้กนน็รู้ไว้จะไปโทรรู้ไหมอีกสองสามปีมันจะไหลอะไรดึงรู้ไห ม, ไ ม, ไ, หมไม่รู้เหมอนันไม่รู้เราอย่าไปพูดมดันในตรงนั้นเราฟังไว้เท่านั้นเราคนตรงที่เรารู้จักหัโยมไม่าน้องมันเคลื่อนไหวมาแล้ว อาตมาเกิดมามันไหวมาเรื่อยๆก็ดี น, นี่ทําไมไว้อาตมาไม่โตขนาดนาะคนเกิดมานะความคิดข็คนเกิดมานี่คือเกิ ด, ดมาอยากตายถูกไห ม, ม, มแก้วน้ำขนาดนี้นะ เอาหน้ามระเทใส่แต่ไม่อยากให้มันเต็มเทเรื่อยแต่ไม่อยากให้มันเต็มมันจะไงไงมนี่คนเกิดมาเหมือนกั น, น, นเกิดมาเราอยากตายคิดยังนันถูกไหมอ้าวถามันเป็นยิงอย่างนั้นยเกิดมาทุกคนแต่คนไม่ต้องตายกันยิ่งทุกข์มากกว่านี้ ไม่ตายสักคนมันเกิดมาอยู่ในโอ้ยพวกมันกินขี้กันหมดจะไปตรงไหนเนาะนี่มันก็น้ำแก้วนี่เท่านี้มาเทใจเลยไม่ไม่อยากให้มันเต็มหนึ่งท้โลกก็เป็นอย่งนั้นนะครเราคิดในมันถูกส่วนมันเรื่องอย่าีไม่ใหญ่มันตายนม่นะแต่ง่นะมันแต่ทองนะถ้าว่าในปารถตานะมัเกิดมามันไม่ตาย ถ่ายเป็นธรรมาตาธรรมถูก ค, นคนกรับพระพุทธเจ้าธรรต่ธรรมดูจะคคทํามตาธรรมไหมครับนั่นไม่ได้ได้อยู่ตรงนั้นวิ่งด้วยปัญญาไม่ได้ไม่ได้ไม่เกิดธรรมมันไปจงยึดตรงนั้นอืคนใจอยากเกิดมาสนุกก็ไม่อยากตายมนไม่ถูกเลยแต่มันกนเป้นคน ยังนั้นคนนั้นเป็นทุกข์พระไม่ใช่พระนี่นะนยังทุกข์อยู่นะพระนี่ยังทุกข์อยู่เพื่อไปถึงสุพระมันไม่เป็นอมาตะตายเป็นไม่เป็นอมาตะธรรมอมาตะธรรมคือทางมันมีตายเนี่ยมันถึจะมีทางเกิดมาจากท้องแม่ตายไม่มีตาย ออกจากมารุษธรรมะว่าอันนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นอมตกอันหนึ่งคนตตายเราไม่ตายสัขารมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างตามธรรมชาติคนกินอย่างกันนะคนคิดไม่ได้เนาะต้องเลิอกออกจกนะันริยามันก็มีโทยัง ไ, ได้ ต้องยิ่จากน้ำใหญ่ใหญ่จะต้องยิ่จากความจเจริญใน ห, หลายอย่างนั้นม่นั่นรพระพุทธเจ้าพ ร, ษษพ ร, ราะพุทธเจ้าท่านอายุอภิษฎาฏิวังท่านไม่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเสนออกตามรบไม้ในป่าท่านไมเป็นพระพุทธเจ้า ถ้าใช้ความสนุกสนานอยู่ในอยู่ในของภาษาด้านจะวังแล้วไม่นีว่าใครว่าโอริการ์เขาว่าเละเขาคนเป็นหลายคนกับคูเฉยๆเลยครูติดใกลัวมันสนุบมึงเกืนนี่ป่ไใโทโถใครดราไปังเกิ มเคยจำยินไงหมาอันนั้นน่าอายเป็นยังเป็นเดียวเลยเพราะงั้นถ้ามันเป็นอย่างนห้คนทําอย่างไรงงถา้ร า, นนะม า, รถามันเป็นอย่างนั้นจะให้คนทำยังไงที่รู้จะไปยังไงไม่มีทาง ผมว่าพระพุทธเจ้านั้นสอนดีดีจนคนไม่รู้ก็ดีหลายแต่พิจารณาใความเกิดมานู่นอันนี้โหราศาสตร์อีกห้าปีหกปีไปนู่นพระพุทธเจ้าบอกเมื่อเดียวันเราเกิดมันจะเป็นอย่างนี้ท่านรู้ก่อนอันนี้เราไปเห็นโหราศาสตร์แล้วอีกห้าปีมันจะเป็นในกัวเช่นเนี้ย ผมเป็นจริงมันเป็นมาแล้วเป็นมานานเมื่อเราเกิดมาเมื่ อ, อไรมันเป็นมาแล้วพูดจ่างนี้ก็มีใครเชื่อนอ้อข้าใจไหมอรัญญโปรู้จักภาษาไทยไหมถ้ายงยงถ้ายงกลวใช่ไหมยงรู้จักเขาไหวถ้าหากว่าเรา ไปทำผิดคนหมายใชอย่างหนึ่งแล้วสมมตินะอีกเกตวันเขาจะเอาไปประหารโยกจะคิดอย่างไรผมทางเขา <c oughs> คือเป็นคนมีโทษที่เขาจะประหารเลยอีกเกตวันเขาจะประหาร <c oughs> อันนี้ให้เอาไปคิดดู ที่ผก็ยอดมาอีกเราทุกวันนี้ก็เป็นคนถูกประหารอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าอีกกี่วันบางทีไม่ถึงเกณวันก็น้าคุณรู้จักไหมว่าคนนี้มีโทษถึงตายเขาจะต้องประหาร น, นี่ไม่รู้เ่ราะเฉยถ้าไปทาผิดกฎหมายเขาในในวันมันเขเอาจะไปประหารเจ็ดวัน โอ้ยเสียใจหลายนี่มราณะสติคือความตายจะประหารคน อ, อีกวัน้องวันเท่านั้นคุณไม่รู้จักท่านคุณเป็นอยู่สบายนี่ให้คุณคิดอย่างนั้นมันจึงจะมีศรัทธาในการปฏิบัติธรรมะฉะนั้นท่านจึงให้นึกถึงมราณะสติความตายเสมอให้นึกถึงความตายกลัวไม่อยากจะ Anymore, right? uh, to h Demi be killed by capital punishment. Did he ask for the question? Uh, to ask somebody what they do, what they done, and say, were, it t h e t we're going to be killed in, in the week, executed?" Executed. They are all talking. ภาพของคนอย่างนั้นทุกวันนี้แต่เราไม่รู้ตัวเราเราก็อยู่สบายถ้าเรารู้ตัวพิจารณามื่น า, าชชนั่งสติปามตายสมมติคขาดื่มทำเพียนเข้าไห้คนคนไปงั้นทํามเฉยอยู่กับคนไม่รู้จักถ้าคนทำผิดกฎหมายอีกเจ็ดวันเัาจะไปประหารจะนอนอะไรอะไรต้องเรีบหาทีไปที่แกไข เปียนไหมเพราะฟังอยู่ น, นะแล้ น, นี่ไปแก้ไขตัวอะไรเพลิน่านี่คือไม่รู้จักเลพูดว่าคุณมีโทษยังกงนั่ น, นยิ่งมันชอบใจอีกด้วยทำไมไมันจะไม่ไกลจากพระธรรมล่ะพร ะ, ระพดทธเองค์หนึ่งว่าพยนมามนั้นสติเจริญมานั้นตืินวอกตายเจริญทั้งหมดสบายใจหน่อ คำสงสารโยนำให้คำดีกว่ารอบคดีมันจะไหวผมโอ้ยส ชาิหละติโเป็นนังลาชกิโตอยู่นครถวรก่อนท่านทำกรรมฐานไหมทากรรมฐานนะทำลูกนอกขอนอายนอ้น ยุบนอพองนอก็ถูกนอาให้ใจก็ถูกีรทนี้มันก็พองเองวันห้ยใจออกยุบเองวันหายใจเ้าพองเองวันแต่เราดูตรงนี้ยุบนอพองนอคอยดูตรงนี้เราดูอนนนับมาสติีราดูตรงนี้ ออกไปมายุบหายใจกขมันก็พองปรเมินกันไม่ต้องสงสัยมันถูกจะดิตอะไรแล้วก็เอาจช่เราพองมันถูกกินมันส่งเอ้าเราจะดูนี่มันยุบเองมันหายใจกขมันก็พองลงออกายุบ เราจะดูตรงนี้ก็ได้ให้ใจออกใจเข้าเราอย่าดูตรงนี้ก็ได้ตรงไหนมันถูกจดิบของเรามันเตความสงบเราเก็เอายุบหนอพอหนอก็ได้เอาอนาป้าสติอะไรอันนี้มันก็ยุบเองเหมือนกันใช่ตอนนี้ก็ทำให้มันยุบไม่ได้เลยเนี่ยเดหมดตรงยุบพัง ไม่ไม <No. S 1> ่ต้องสงสัยในกรรมฐานทั้งหลายเป็นอย่างนั้นมาช้ใส่ดอนสอนยุบให้ดูท่านในมันยุบของเรารูตรงนี้ลงเข้าไปกคองเองมันดูนี่ก็ได้ลออกไมันยุบเองยกเอันเดียวกนัน Because even though you're, you're, you're at your nose, your stomach's still rising and falling. Okay. <laughs> <laughs> and even though <coughs> you're t c h i n h e rising and falling, you're, you're still inhaling and exhaling. <coughs> <coughs> it's a t in duol. Matter of preference. w h i c h you like. w h i c h you feel the most suitable. y o u r navel, or your nose. <coughs> my nose, i s l o c k e d การเห็นว hmm. ่าจะเดินมันมันให้เห็นง่ายกว่าจมูกมันมันรอมข้าวออกก็สะดวกมากเท่าไหร่เลยเห็นง่ายกว่าเขาตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นอะไรมันก็เป็นอนาปางกัน แกดิน้นเขาก็ถูกตรงนี้เขาตรงนี้บางคนก็บอกตรงนี้ถูกบางคนบอกตรงนี้ผิดบางทีว่าตรงนี้มันผิดตรงนี้มันถูกก็แยกกันเปล่าๆมัน น, นเดียวกันไน <c oughs> ไม่ยุบไม่ฟองแลยน ะ, ค, ะ <c oughs> คนถือๆมันยุบเองวันนลยน ะ, ะหายใจเขาก็ฟองเกิดเขึ้นยุบเลย ก็เอเกี่ยวเราคิดอย่างนี้ว่านี่แม่น้ำมาสมุทรน้ามหาสมุท ร, นะ ร, รนี้มันมาจากแม่น้ำ น, น้อยๆดึงเลยกมันไหลมนคนอีทิติ์ทางเดมนมารวมมหาสมุทรตรงนะั้นเราทําสมมฐานเหมือนกันทํากิจในสงบเอานี้ออันนี้เหมือนกันผลที่สุดมันก็ให้มีความ ไม่ยึดมั่นถือมั่นเหมือนกันแม่น้ำทั้งหลายที่คองน้อยคองใหญ่มันก็มารวมมาสัมบูรณนกันมันมาจากที่ไหนก็ช่างมั่นเถอะมันรวมมาสมุูรเราทํากรรมฐานนี่เพื่อให้จิตสงบเพื่อให้มันไม่ยึดมั่นถือมั่นในกันห้านี่อันเดียวกันเป็นอันเดียวกันไม่ต้องคิดมากใครอาเห็นนี่มันง่ายกว่าเอาง่าก็ได้เห็นนี่มันง่ายกว่าเอาง่ก็ได้มันถูกเจดิตของเรา ไปไปั้นอยใตขอบฟ้าใต้ทะเไปอเคเราไน่นะเป็นวิธีที่ทำเฉยๆนี อย่างคนเกิดมาน่ยมีชีวิตเป็นอยู่เดี๋ยวก็เกี่ยวกับการของชีพของคนเราชอบอะไรไหมเราชอบทํางานเป็นอาชีพหรือเราชอบทํานาหรือชอบทําสวนแล้วแต่เราจะดีของเราจะชอบอะไรทําไปเพื่อได้อาหารมากินให้มันอิ่มท้องเลี้ยงชีวิตไปเมื่อไหั่ทํากรรมฐานเหมือน ก, น, กมาา น, นกันก็จะเอาที่นี่ที่ไหนก็ช่างเหมือนเดิม ให้มันเป็นทางคนทุกข์ม า, าเหมือนกันเป็นอาชีพเลี้ยงอาชีพได้เหมือนกันคนทุกข์ได้เหมือนกันก่อนนะั้นเราเกิดมามันมีนมอาชีพมันชอบทางไหนชอบทำเป็นช่างไม้ช่างปูนชอบเป็นขรนทการนี่ยอย่เงชอบทําไร่ชอบทำํำนาก็เอาทางหลายก็เอามาเลี้ยงชีพเราให้ ม, มีความเป็นอยู่พอการทําทกรรฐานหลายหลายอย่าง อะไรมันถูกจดิตของเราเชิญลมหายใจให้ดูนี่มันถนัดดีสงบดีมันไงก็เา้านี่ก็ได้อันนี้ถามว่าไ้สงบบางทีเราเอายุบหน่อฟองหนอ่อนี่ก็ได้ให้จิตมันตรงสู่ความสงบแล้วก็พอแต่ความนึ่งยากของไม่สงสัยเวลาดูจัจุดมันนะมั่งกันเลยอดีตสมความง่วงนะแมทัมมบยมแล้วอยู่ไม่ได้ เนี่ยทาบลกเรลบไปไม่ไหวแล้วน้ำพ้อผมคิด <c oughs> ว่าบางทีกับายในใหายใจลำบากอ่า ใ, ใช่ไห ม, มกับบกับไฟในอากาศมันหาย<อ>ใช่ปิดก็ได้ปิดใช่